พระธรรมเทศนาแผ่นที่89ลำดับที่3โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่1ตุลาคม2558มีชื่อเรื่องว่าเกิดในประเทศดีต้องสแสวงหาสิ่งดี มาพร้อมกันนะครับมายังทันเตติสลายาสาต่อไปตั้งใจสมาทานศีลก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อจะแนะนําเรื่องของศีลเรียกว่า บอกคุณค่าของศินให้กับคณะสัตยาติโยมแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองก็มั่นใจเพราะว่าพวกคณะรัตยาติโฐมที่มองมองเห็นในก่อนล้วนแล้วแต่ผู้ทรงคงทรงคุณวุฒิระหว่างผู้มีอายออุพอสมควรแล้วก็คงจะรู้ได้แต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองก็อดที่จะย้ําให้พี่น้องสัตยาติโยม ได้รับรู้รับทราบวา่าคุณค่าของสินประโยชน์ของสินที่คนโบราณเขาเอ่อรับกันมารักษากันมามีคุณค่าอย่างไรเพราะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายใช่ผู้ที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนานอมนานก็รู้เรื่องสินค่าสินอุโบสถก็ได้ศึกษาแต่ผู้เด็กพวกเรา ที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังอาจจะยังถึงจะรู้เรื่องของสินแต่ก็ไม่ซึง้งถ้าว่ารู้คุณค่าของสินแล้วพวกเราบ็คนจะสมาทานสินรักษาสินได้แต่นี่เพียงแต่รู้เฉยๆรู้แบบประปรายและ ว, ว่ารู้แบบไม่นึกซึง้ง คุณค่าของศีล น, นั่นคืออะไรเพราะนั้นหลวงพ่อไปในสถานที่ต่างๆอย่างไม่เคยมาอย่างนี้ น, ะนานทีจังจะสิบอ11ปีงานพระราชทานเพลิงขององค์ท่านหลวงพ่อได้มาขราวนั้นจากนั้นก็าห่างเหินไปนะแต่มาขราวนี้ก็มาพบมาเจอกับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อจะได้กล่าวเรื่องของศีลให้กับ พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันดับแรกนะหลวงพ่อจะว่าณโมพานําว่าณโมณโมตัสสะปะคะวะโตว่าถึงสามครั้งณโง ม, มแปลว่าอะไรพวกเราผู้ที่เข้าวัดถูวัดว า, าศาสนาก็คงจะรู้ว่าณโมตัสสะปะคะวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพรเจ้าผอนนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ง น, มมทธทธงนั้น แต่ทำไมพวกเราจะรับศีลทำไมจริงว่านโมจึงกล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นพระพุทธาศาสนาเป็นต้นความคิดเรื่องศีลธรรมที่ท่านประกาศเป็นพระธรรมคำสอนออกมาเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราได้ศึกษาศีลห้าของพระพุทธเจ้าเรื่องวัคุณธรรมศีลธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเคารพนับถือเรื่องใส เ, เมื่อเราเกิดความพรบเรื่มใสแล้ว เ, เรายอมรับเราจะรักษาศีลห้าอย่างที่พวกเราได้การปรารนาหลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่อก็ได้นำศีลห้าให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังจากนั้นเมื่อเราเคารพนับถือเราก็ต้องเวลาจะรับศีลของพระพุทธเจ้ารับธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะต้องนอบน้อมต้นศาสดาต้นศาสนาก่อนนะ ย่ว่นะโบตัดสะปะคาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะอย่ากนั้นกับพุทธังทำมังสังขังสระนังคัดฉามิข้าไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองจากนั้นกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านประกาศออกมาเพื่อให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติคือพระธรรมคำสอนจากนั้นพระสงฆ์ได้นําพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรากล่าวถึงสามครั้งดุสติยามปีข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นครั้งที่สองตาติยามปีพุทธังทำมังสังขังข้าพเจ้ายืนยันเป็นครั้งที่สจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นทรนตเป็นที่พึ่งจากนั้นจะกล่าวเป็นองค์ศิลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทถังสมาติยามิ ข้าพรเจ้าโจทเว้นในการฆ่านะเคือว่าการฆ่าคำนี้น่ะเราไปฆ่าเขาใช่เราไปฆ่าเขาเราฉะจาในะเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเราล่ะฆ่าพ่อแม่พี่น้องวงศาธกนายาศของเราเราเสียใจในเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็คงเสียใจเช่นเดียวกันคนนั้นข้าพระเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากันน่ะไม่เป็นผลดีทำให้กระเทือนทุกข์ใจ ในผู้ถูกกระทําเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลข้อที่หนึ่งอยากคิดฆ่ากันถ้าเราไปฆ่าพ่อแม่พี่น้องเขาก็เสียใจถ้าเราขอมาฆ่าพี่น้องของของเราก็เสียใจมาอันนี้คือศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาเวรามณีเราจะไปคิดขโมยคนอื่นเขาถ้าเมื่อเราไปคิดขโมยเขาเขาก็เสียใจถ้าขอมาขโมยของเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติศินอยาคิดขโมยกัน ข้อที่สมกาเมสุวิชาัยจาราเวรมณีข้อที่สสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาคนรักสงวนห่วงเห็นของเขาเพราะเขาเออเป็นาชาติเฉลยดเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาถ้าเขามาทําให้กับเราล่ะเราเสียใจยไหมเรามาทําให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราเราก็เสียใจยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เคารพสิทธิ์เ่งกันละกันคืออันนี้คือสินข้อที่ส ข้อที่สี่มุสาวาทาเวรามณีอย่าไปโกหงอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจยถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงโกหกเราเราก็เสียใจยเช่นเดียวกันเพราะนั้น เ, เราจึงพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าการต้มตุ๋นโกหกคนอื่นเขานะจย ว, ว่าเขียนเช็คแต้งให้เขาอย่างนี้นะ หรือว่าเป็นย้อมตะกั่วแต่เป็นสีทองไปขายให้เขาอย่างนี้ละไปเอาก้อนหินมาแล้วกัว่าเป็นเหล็กไหลยอย่างเนี้ขายให้เขาราคาแพงๆเมื่อเขารู้ที่หลังนะเขาก็เสียใจถ้าเขามาทําให้กับเราลเราก็เสียใจเพราะฉะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าให้พวกลูกหลานคณาตถาญาติโยมสังเกตดูนะเขาเราเขาเราเขาเราเออเพราะฉะนั้น อ, อ, อย่าไปทําให้กับเขาเมื่อเราต้องการเมื่อ เมื่อเราไปทําให้กับเขาเขาก็เสียใจเมื่อเขามาทําให้กับเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันอันนี้คือสินสินข้อที่ห้าเป็นสิลพิเศษสักหน่อยนะคาตะท้ายญาจโจรคือศินข้าข้อที่หสุราเมรยะมัชชะประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราสุราคือเหล้าเมลัยคือเบียนะสุราเมรยะมัชชะ และประสงค์เคราะห์เข้าไปคันชายาฝินเฮโรอีนยาบ้ายามะโ ค, โคเคนมากมายเนี่ยที่เป็นยาเสพติดทั้งหลายเมื่อดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วทําให้ขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วดีทุกอย่างจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าใครก็รัดเพราะเราขาดสติเพราะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าการดื่มหรือเสพเหล่านั้นเข้าไปต้องขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วเสียหายหลวงพ่อและเปรียบเทียบว่าสินข้อที่ห้าน เป็นสินมุงหลังคาจะมื่อว่าอาคารหลังนี้แหะศาลาหลังนี้แหละถ้าหากว่าไม่มีสังกสีไม่มีกระเบื้องมุงหลังคาสังคาไม่มีที่มุงบังฝนตกออกฝนตกลงมาก็เปียกเสียของหมดแดดออกขึ้มาก็เสียหมดเราก็อยู่ในศาลาหลังนี้ไปได้เพราะอะไรเพราะหลังคาเพราะอาคารหลังนี้ไม่มีศาลาศินข้อที่ห้านี่คือสินมุงหลังคาเพราะเห็นอะเพราะคน ถ้าขาดสติสัอย่างเดียวจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายจะอยู่ในยศฐานบรดาศัตว์สูงขนาดไหนก็เถอะถ้าเป็นบ้าสักอย่างเดียวขาดสติสัอย่างเดีย ว, ยยวแปลว่าคนนั้นใช้ไม่ได้เลยเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยทาย ญ, ญาติโยมทุกๆท่านนะนี่แหละสินห้าของพระพยายาุทธเจ้าสินห้าคือสินที่ครบทรงคุณค่าสินคุ้มของหลวงพ่อแต่ดึกดําบรรทมเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยทาย ญ, ญาติโยมทั้งหลายรู้คุณค่าของศินห้าแล้ว ตอนนี้ไปหลกพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสิณนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะนติตัตมาสีลังวิโสทาเยอมานมเจ้า อาณาจารยญาติโยมน้องนุง่งพระเนนลูกหลานทุกองอยู่ในความสงบเพราะสถานนี้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ฟังผู้ที่กาพลระธนาขึ้นมาก็คือกาพระธนาให้หลวงพ่อขึ้นมาเป็นองค์แสดงธรรมวันนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้ให้อยู่ในความสงบอย่าไปคุยกันและก็พร้อมกัน ผู้ที่มีกล้องถ่ายรูปที่มีแฟดนะห้ามถ่ายแฟดในขณะที่หลวงพ่อแสดงธรรมตั้งแต่ตั้งนบอแล้วไปแล้วกออ็อย่าส่งเสียงถ้าใครมีวิทยุหรือมีโทรศัพท์เสียงดังก็ให้ออกไปคุยกันข้างนอกอย่ามาคุยกันในบริเวณนี้สถานที่แห่ง น, นี้เป็นสถานที่ฟังนะเป็นสถานที่ศึกษาเป็นสถานที่ฟังไม่ใช่ที่สถานที่คุยกันถ้าพวกเราอยากจะคุยกันออกไปคุยข้างนอก ออกนอกศาลาเป็นสถานที่คุยถ้าเรามาทำคุยกันที่นี่แปลว่าไม่รู้จักการลกเทศการสถานที่บุคคลขนาดการสถานที่บุคคลเรายังไม่รู้แล้วเราจะเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างไรเราเมื่อเป็นเราผู้ใหญ่เราต้องรู้ว่าการเช่นนี้เรามาเมื่อมาเพื่ออะไรแต่หลวงพ่อมาจากวัดหลวงพ่อก็ได้รับวระทนาวามาแสดงธรรม ในเมื่อหลวงพ่อมาแสดงธรรมหลวงพ่อก็ตั้งใจมาจแสดงธรรมนะพวกท่านทั้งหลายมาเพื่ออะไรมาเล่นใชมาคุยกันใช่ไหมหรือมาอะไรถ้าพวกท่านทนทั้งหลายจะมาเอาบุญรักษาศีลมาสมาฐานศีลมาฟังธรรมในเมื่อมาฟังธรรมก็ต้องฟังนะคนอื่นฟังจะ่เรามาคุยกันมันไม่ใช่ไม่ใช่กาละเทศะน ะ, ะมันไม่ใช่กาละเทศะที่จะพูดอย่างนั้นทําอย่างนั้นเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองไปนักฐานที่ใด หลวงพ่อจะบอกอย่างนี้ให้กับคณะจตหายาติโยมลูกหลานได้ฟังทุกคนว่าเราไปนสถานที่ใดเราต้องฟังถ้าเราไม่อยากจะฟังแล้วออกไปออกไปข้างนอกผู้ที่ฟังเข้าฟังอยู่ถ้าเราไม่ต้องการฟังออกไปเพราะฉะนั้นให้พวกเราคณะจตหายาตโยมผ้าเน้นลูกหลานน้องลองุลงทั้งหลายนะถ้าเมื่อต้องการฟังแล้วก็ให้อยู่ฟังแต่หลวงพ่อคงจะไม่พูดอะไรมากในะวันนี้นะ พอหลวงพ่อออกมาจากวัดตั้งแต่เช้ามืดมือเช้าแต่ตั้งแต่ตีสนะี่กว่าเกือบตีห้านออกมาที่วัดรวมธรรมอำเภอเพนต่นั้นก็เมื่อฉันยังหันเสร็จที่วัดรวมธรรมหลวงพ่อก็ได้มาเซ็นสัญญาสร้างอาคารเรียนให้เก็บให้กับโรงเรียนบ้านสมเศร้านะคือมีญญศรัทธาญาติโยมของหลวงพ่อมาจากกรุงเทพนะโรงเรียนของเขารู้สึกว่าสร้างมาตั้ง40กว่าปีอาคารไม้ กอรอปกลางมาสร้างแต่สมัยนู้นอะสมัยขอข้อคอสมัยนู้นอะแต่วันนี้ศาลาอาคารหลังนี้รู้สึกว่ามันจะหนุนท่าหัวเด็กนะเขาก็มาพูดให้หลวงพอ่อหลวงพ่อก็ได้หาศัทธาญาติโยมเขาก็มีกิจศัทธายและเขาสร้างมาหลายหลังแล้วนะ่ะหลวงพ่อก็ได้มาเซ็นสัญญากับครูบาอาจารย์กับผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตของตำบลสมเช้าเมื่อเช้านี้งบประมาณ4ล้านกว่านะคะนะักัทธาญาติโยม เมื่อเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เข้าไปพักที่วัดรวมธรรมพอตกตอนเย็นหนะลวงพ่อก็เดินทางมาอำเภอเนี่แหละอำเภอบ้านบนรรดุงของพวกเราเพาราะคณะทศชาญาติโยมไปนิมนต์หลวงพ่อปีที่แล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้มานะเนี่ยแต่หวงพ่อมาตั้งใจเพราะว่าท่านอาจารย์พ่อครูน้อยเนะี่ยเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันมานานทีเดียวเลยเพราะหลวงพ่อมาอยู่ในเขตจังหวัดอุดรตั้งแต่ปี2512นะคณะทศายญาติโยมลูกหลาน มาอยู่กับองหลวงตาท่านอาจารย์พ่อครูน้อยก็ไ ป, ไปไปมามาหาสู่กันจากนั้นหลวงพ่อกออกมาปี2545 25ออกไปตั้งที่วัดป่าบ้านตาใออกไปที่นาคำน้อยนะจากนั้นก็ได้พบพบกันอยู่ท่านพ่อครูจิตบ้างพ่อครูบุญมีบ้างอาจารย์พ่อครูน้อยบ้งางท่านก็คนอุดรบ้างในกลุ่มของท่านน่ยคือกลุ่มเหล่านี้น่ะแต่พูดกันท่านสามสี่ทั้งสองอเนย เจ้พ่อพ่อครูน้อยกับเจ้าคุณอุดอรเนี่ยพูดกันโอ้โหรู้สึกว่าท่านวิสาสะกันพวกเราลูกหลานฟังนี่ยฟังไม่ได้ทีเดียวละท่านใช้ภาษาพ่อคุณลามใส่กันเหมือนกัน <c oughs> แต่แต่ท่านก็สนิทสนมกันนะเออรักกันแต่ท่านไม่ถือสาหากันหานับกันรักเมตตากัน เ, เนี่ยนะนี่หลวงพ่อก็ได้รู้ได้จับมักคุ้นกับท่านอาจารย์พ่อครูจากนั้นมันก็ ทำตามไม่ถิงก็น่าเสียดายท่านก็มรณาภาพเมื่อ11ปีให้หลังหลวงพ่อก็ได้มาพระราชทานเพลิงสิริราของท่านอยู่นะในวันนั้นน ะ, ะจากนั้นมาหลวงพ่อก็ได้ห่างเหินไปไม่ได้มาเพราะภารกิจธุรกิจแต่ละวัดแต่ละองค์นี่ก็มากมายวันนั้นวันนี้หลวงพ่อดีถือโอกาสมาพบกับครูบาอาจารย์ร้องหลวงทั้งหลายคุปต์ทาญาติโยมทุกหมู่เหล่าถือโอกาสมาพบนะวันนี้จะได้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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะปัติโรปเทสวาโซจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตสัมมาปานิธิขยะวิยะธรรมมาสังขาราอัปปมาเดนะสัมปาเดธาทตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคล วันหนึ่งที่พวกเราได้มากราบคารวะาทาบุญเพื่อถวายเป็นปรายถวายกุศลต่อวันครบวันมรณะภาพของท่านอาจารย์พระครูน้อยของพวกเราเป็นเวลา11ปีนะกันนานพอสมควรึังขอกราบเชิญพุทธศาสนิกจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วม ง, งานทาบุญ บำเพ็ญกุศลรอบคายวันมรณภาพปีที่11พระภูวิชิตธรรมคุณวงเล็บวิชิตปะปะพัทสโรอันดีจจเจ้าอาวาสวัดปุรภารามณวัดปุรภาวันอำเภอบ้านดุงจังหวัดรอนธานีวันที่หนึ่งถึง2ตุลาคมพุทธศักราช 2.558 าอยาวันนี้วันนี้เป็นวันที่หนึ่ง เพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะได้มาเป็นองค์แสดงธรรมให้กับคณะกทายาติโยมทั้งหลายได้ฟัง่วันนี้ถือว่าเป็นวันเคารพสักการะเป็นวันเคารพครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ให้พวกเราให้รับความรักเคารพนับถือเลื่อมใสในอาจารย์พ่อครูของพวกเราที่ท่านมาแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนอําเภอบ้านกรุงของพวกเราหลายปีทีเดียว คนนั้นถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณส่วนหนึ่งบางคนอาจจะไม่รู้จักเลือกคุณธรรมศีลและที่คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแต่เมื่อท่านอาจารย์พรอครูมาเมตตาสั่งสอนพวกเราพวกเราก็หูแตกหูจ้าหูแจ้งตาสว่างขึ้นมาได้ฟังอัดฟังธรรมของท่านได้มากล่าขารบสักการะท่าน นี่ก็ถือว่าท่านเป็นอุปภาการีบุคคลผู้มีอุปกรณ์สำหรัหบญาติญาติโยมบางท่านบางคนนะที่ได้มากราบมาไหว้ท่านก็ถือว่าเป็นมงคลมหามงคลของชีวิตท่าว่าไม่ได้พบท่านอาจารย์พระครูของพวกเราเพราะว่าท่านก็เป็นนักเทศองค์หนึ่งและก็ท่านเป็นผู้สแสวงหาคุณงามความดีองค์หนึ่งและก็พร้อมกัน ท่านก็เลยไปประเทศอินเดียบ่อยครั้งมากหลวงพ่อได้ทราบทราบข่าวไม่รู้ไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งได้ท้าว่าเป็นยุคบุกเบิร์ดสำหรับคณะสัทายาญาติโยมคณะพระสงฆ์ทั้งหลายที่ไปประเทศอินเดียท่านเป็นผู้คล้ายๆกว่าเหมือนกับท่านเป็นเคยเกิดในประเทศอินเดียมาลักษณะอย่างนั้นน่ในความผูกพันในความรักเคารพในสถานที่ต่างๆเพราะนั้นท่านไปประเทศอินเดียเหมือนกับว่าเล่น เออที่หลวงพ่อได้ทราบข่าวนะแต่หลวงพ่อก็ไม่เคยไปกับท่านแต่ท่านก็มาพูดอะไรเรื่องราวประเทศอินเดียให้คณะสิทธิยาลุจิตเลยหลวงพ่อได้ฟังฮนะหลวงพ่อพอได้ฟังท่านพูดหลวงพ่อก็อ้าปากบอเหมือนกันนะเพราะท่านประสบประการณ์ของท่านที่ไปพบเรื่องต่างๆของอยู่ในประเทศอินเดียนะเออจากนั้นก็เนี่ยนะท่านก็น่าเสียดายที่ท่านอาจารย์พ่อครูของเราได้ เอ่อมรณะมร ณ, มรณภาพลงไปอายุของท่านก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะแต่ถึงยังไงก็ตามกฎอนิจางทุกขังอนัตตาเลือกไม่ได้ว่าข้าพเจ้าต้องแก่ซะก่อนข้าพเจ้าจึงจะเอ่อตายหรือมรณะภาพเราเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านได้มาขนาดนั้นท่านก็ไปขนาดนั้นพวกเราเราอดเ่นเดียวกันนั่นแหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ บุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเครื่องเครือคุณหนุนพวกเราถ้าหาว่าคนมีบุญไปอยู่นสถานที่ใดดีทั้งนั้นแหละเมื่อท่านกุติไปแล้วท่านอาจจะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมของท่านเพราะท่านประกอบคุณงามความดีแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็ให้มองตนเองเหมือนกันพวกเรามีคุณงามความดีเพียงพอหรืออย่างในการประพฤติปฏิบัติของเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนมองตัเองอย่าลืมตัวเอง ให้มองตัวเองไม่อยู่เสมอชีวิตของข้าเนี่ยอีกไม่รู้ว่านานเท่าไหร่จะต้องถึงจุดจบของพวกเราเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายพวกเราอยู่ในสายสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านแนะนำสั่งสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทให้เข่งคลัดในหลักพระธรรมวินยัยถ้าเป็นพระสงฆ์นะถ้าเป็นคณะสัต ย, ยาญาติโยมปยัญาหลงลืมตัวจนเกินไป ให้ประกอบคูณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ในหลักธรรมคาสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านยืนยันบอกเลยเะาว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเนะี่ยคำนี้หลวงพ่อไปนสถานที่ใดหลวงพ่อจะเน้นหนักนะพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับพูดอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้อย่างนั้นอีกนะพระพุทธเจ้าของเราท่านหนีออกจากเวียงวังท่านไป อยู่ในป่าที่6ปีไปค้นคว้าศึกษาไปบวชอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําอโนมานทีเป็นครั้งแรกจากนั้นเท่ากับเที่ยวในอยู่ในละแวกนั้นบริเวณนั้นจากทั้นท่านก็วันเดือนปกเพนเวันเดือนปกเพนท่านนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้ า, ห า, ขาหายใจออกรู้ว่าหายใจออก พระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตรวมนะพอจิตรวมขึ้นมาแล้วท่านก็รู้ได้ว่าปกเพนิวาสานุจติยา น, นคือเกิดญาณทัตนาเกิดฌานขึ้นมาระดับหนึ่งความรู้พิเศษขึ้นมาระดับหนึ่งเมจิตรวมลงไปแล้วนะรู้รู้ว่าตายแล้วไม่สู่ตายแล้วเกิดอีกเนะพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาให้พวกเราศึกษาในคณนะสัตย์ญาติรวมโลกลานเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่าน บวชเข้ามาแล้วท่านได้ศึกษาแนวแถวของครูบาอาจารย์ท่านก็ไปศึกษาภาวานาในป่าตองพงภัยเหมือนท่าเดินตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไปเดินไปอยู่ในป่าตองพงไปอยู่ในถ้าบางอยู่ในที่แจ้งรอมฟังในที่สงบสงัด เ, เปลี่ยวเป่าเปี่ยวเดียวดายาท่านไปภาวาน า, าจากนั้นแต่ละองค์ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็ยืนยันอย่างนั้นอีกนะหลวงพ่อใน ดูที่ในธรรมาลิกิตของท่านแต่ละองค์ประวัติของท่านแต่ละองค์ท่านกขาบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญให้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจใจกับกายนะนามธรรมากับรูปธรรมรูปมธรรมรูปประธรปปรมกับ น, นามธรรมามันเป็นคนละอันกันมันไม่ใช่อั น, นอันหนึ่งอันเดียวกัน หลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้พนักพนักศาธาญาติโยมในยุคปัจจุบันพอเราไปที่ไหนเราอาศัยรถไปหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าร่างกายเหมือนกับรถนะพี่น้องประชาชนศาธาญาติโยมแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถ น, ะนะนะั่นน่ะเออมันแยกกันแต่มันอยู่มันอยู่ด้วยกันแต่มันแยกกันร่างกายจะไปได้ก็ต้องอาศัยโซเฟอร์คือคนขับรถ แต่ในหลักคำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องโซเฟอร์มากกว่าเรื่องของรถนะท่านก็ตั้งจํากัดเป็นพุทธภารรษิตว่ามโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเนี่ยนะอันนี้ก็คือหลักำคำคําสอนของพุทธะเพราะนั้นพวกเรานับว่าโชคดีได้เกิดมาในประเทศไทยได้พบพระพุทธศาสนา ในพ่อพ่แม่ผู้บาญชาการหลวงพ่อจึงยกเป็นพุทธภาสิีเบื้องต้นว่าปฏิรูประเทสวาโซจักรภเพจักตะปุญยตาอัตสัมมาปณิธิปกเพกปฏิรูประเทสวาโซจะเราเกิดในปร ะ, ประเทศอันสมควรคือประเทศไทยเป็นประเทศที่ธรรมชาติไม่ฆ่าพวกเรามากร้อนก็ไม่ร้อนมากหนาวก็ไม่หนาวมาก พายุก็ไม่มากแผ่นดินก็ไม่ถล่มสีนามิก็ไม่มีก็ว่าธรรมชาติไม่ได้ฆ่าคนไทยมากมายแต่บางครั้งทอ น, นเองนานๆจะพวกเราจะจึงจะเจอจะพบ เ, เรื่องธรรมชาติาที่ทาหลุนกับพวกคนไทยของเราประเทศไทยของเราก็นาะว่าพวกเรามาเลือกเกิดในประเทศที่สมบูรณ์ประเทศหนึ่งถ้าเราไปประเทศเกิดในประเทศบางประเทศนะแห่งแล้งมีแต่ทะเลทราย หัวโตวๆท้องใหญ่ๆขารีบๆพวกเราเคยเห็นทุกวนันในสื่อต่างๆแล้วบางทีเราอาจจะไปเกิดเป็นผู้ที่ยังไม่มีเสื้อผ้าก็ยังมีอยู่ในยุคนี้สมัยนี้เราคิดว่ามันจะหมดไปแล้วมันมันยังอยู่ในโลกนี้อยู่นะเพราะฉะนั้น <method ical S 1> ถ้าเราไปเกิดในภพภูม in ิอย่างนั้นล่ะ <table. S 2> เราจะเป็นยังไงแต่นักพวกเรานะประโชคดีอย่างมากที่มาเกิดเพราะพบในประเทศไทยเนภพบพระพุทธศาสนาที่ว่าปฏิรูประเทสวาโซจัก พเพศจศกตะปุญญาตาพวกเราคงจะได้ทําบุญไว้ในอดีตชาตินะเราอาจจะได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาจจะได้พบพระสงฆ์และก็ตั้งความปรารถนาเออสาธุเนอร์ผู้ฆ่าเกิดในพบในชาติใดผมก็ให้เด็พบพระพุทธศาสนาเดพบพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าได้อยู่ในประเทศที่เหมาะสมอย่าให้มีเวรมีภัยอย่าให้ เ, ออเกิดมาก็อย่าให้เป็นพิษภัยกับมวลมนุษย์ชาติต่างๆ นี่แะเราก็คงจะตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตนะเรียกว่าปกากกุกเทจักตะปุญญาตาบุกเป็นบุพกรรมของเราในในอดีตที่มาพวกเราเจนได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแต่นี่อัตตะสัมมาปณิทิในเมื่อเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแล้วเราตั้งอยู่ในความประมาทหลงลืมลืมตัวเน่เออกินเหล้าเมายาสุรานลีภาชีกีาบาดความชั่วเสียหาย เราก็ทําสิ่งที่มันไม่พึงปราถนานะความชัว่วทั้งหลายเราขนมาหาตัวเองนะนี่แหละแปลว่าเราตั้งตนไว้ไม่ชอบแล้วนะทีนี้เอาออกจากชาตินี้เราอาจจะตกต่ำนะถึง อ, อาจพเพ้อเอาจจะไปเป็นไปเกิดในประเทศที่ไม่พึงปราถนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่านี่แหละประเทศที่อดอยากประเทศที่มีปัญหาเยอะๆ น, ะนี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเมื่อมาพบพระพุทธศาสนาแล้วไปเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแล้ว ให้พวกเราประกอบคุณงามความดีอย่าไปทําสิ่งที่มันไม่ดีทําแต่สิ่งที่ดีคิดดีทําดีพูดดีเท่านั้นจึงจะถูกต้องจึงจะเหมาะสมที่พวกเราได้มาได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยหลวงพ่อเขเย็นย้บอีกว่าขยัวยะธรรมมาสังขาราอัปมาเดนะซัมปาเดทาติในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปฏินิพพานในวันเดือนเดือน6กเพนนนั่นนะ่ะ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปิดพระโอษฐ์จะไม่ตรัสไม่พูดอะไรอีกพราะพระองค์สั่งเสียพวกเราท่านทั้งหลายว่าขยัยวยธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดทาติแปลว่าพวกรองบอสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะพวกรัตนทั้งหลายนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะคือเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไม่เที่ยงีิครังท้าวรไม่อยู่ถึงร้อยปีพันปีนะตายแน่นะเพราะนั้นเพรา เพราะนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจงประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อคือความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็คืออะไรเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้วประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบูรณ์กุศลถ้าเราเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าไปอยู่ในหลักธรรมวินัยศีลและวินัยเป็นศาสตร์กาบุตรเป็นศาสร์กายบุตรของพระพุทธเจ้าที่แท้จริง เมื่อเราเป็นฆราวาสเราก็มีศีลห้ามีศีลนุโบสถมีคราัาสธรรมในประจําตัวประจําใจของพวกเราคือเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะอันนี้แหละคือหลักธรรมคําสอนของพุทธะนะเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านสั่งว่าขยะวยธรรมมาสังขาราอัปมาเดนะซัมปาเดท่าติท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนสังขารไม่เทีย่ยงเพราะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ต่ประโยชน์ท่านนะให้ถึงพร้อมในความไม่ประมาทเถิดเพราะนั้นขอให้พวกเรา มองดูพวกเราเองว่าเร า, เ อ, าอยู่ในความไม่ประมาทอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนหรือเปล่าในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่สิ่งไหนที่มันชั่วชั่วนุ้ไมไมชั่วชั่วคือสิน้าเนี่ยนะคือสินมาตรฐานสินประกอบคุณงามความดีครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าผู้มีสินห้ า, าบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วคนนั้นอยู่ในหมมูล อยู่ในมวลมนุษย์ก็ไม่ติดคุกติดตารางเพราอหะไรเพราะว่าเป็นผู้มีศีลห้าในเมื่อไปสู่เมื่อล้มหายตายจากโลกนี้ไปก็ไปสู่สวรรค์จะไม่ตกนรกปิดอบายจะผุ้งเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังดูดูนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยให้พวกเราไปถามไปถามผู้คุมนักโทษในเรือนเรือนจำเมืองอุดรก็ได้บอกว่าเนี่ยให้ถามดูสิให้ถามเรียงตัวเลยสิว่า เขาทําผิดอะไรเขาจึงเข้าคุกโดยมากผิดศีลห้าผิดศีลห้าทั้งหมดอจะพูดอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นศีลห้าจะเป็นศีลคุ้มของโลกมาตั้งแต่ดึกดําบันตั้งแต่โบราณากาลเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาจึงเชิดชูบูชาว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศีลคุ้มของโลกมาแต่เก่าแก่ดึกดำบรรด์เพราะฉะนั้นพวกเราจะไหว้พระก็ดีเอ จะทำพิธีกรรมอะไรก็ดีพวกเราจึงอารัธนาหรือว่ารักษาศีล5าก่อนออคล้ายๆว่าอย่างน้อยถึงจะรักษาไม่ได้ก็เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนว่าศีลศีลธรรมหรือศีล5้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงการไม่ฆ่ากันการไม่ขโมยกันการเค า, ารพสิทธิสามีภรรยาซึ่งกันและกันการไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงกันการไม่ดื่มธุราให้ขาดสติ ล้วนแล้วจะมีคุ้เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้สํานึกสําเนีดไว้ให้ดีว่าลักศีลธรรมของพวกเรตเจ้าถ้าพวกเราปฏิบัติดีแล้วเป็นศีลคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจะไม่ตกไปในทังไม่จะไม่ตกไปในที่ชั่วแต่กระพร้อมกันที่หลวงพ่อได้พูดว่าตายแล้วไม่สูญนะคํานี้แหละ อ, อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายพิสูจน์การเป็นอยู่ของพวกเรา พิสูจน์คือพิสูจน์ตัวของเราเองนะไม่ต้องพิสูจน์คนอื่นนะพิสูจน์ตัวของพว ก, พวกเราเองในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะพระพุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเรานั่งสมาธินะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองจ็อยากจะพูดเน้นเรื่องสมาธิเพราะเห็นผู้ปฏิบัติอย่างพวกคณะชีและคณะสัตยาญ า, าิโยมผู้สูงอายุ ก็คงครูบาอาจารย์คงจะได้นําสั่งสอนบอกกล่าวเรื่องสมาธิมาพอสมควรแต่หลวงพ่อเองอยากเจ็ย้ําให้พวกเราท่านทั้งหลายเน้นเรื่องสมาธิเพราะเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจและพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประกาศธรรมคําสอนออกมานั้นพระพุทธเจ้าได้นั่งสมาธิพระฒัยใจของพระองค์ได้ยานครับ ได้ญานรัตนะสามในคืนวันเดือนหกเพ็นนั้นปกเพนิวาสานุจติยานตูโปตปาตย า, า, า, ยายานอาสาวัคยยานนี่นะพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ทำตัดเยุอตัดรู้ญาณรัตนะสามอย่างในวันเดือนหกเพ็นเพราะนั้นหลวงพ่อเองมาพบ ก, กับนักทาญาติโยมลูกหลานทุกคนถึงจะไม่ได้ตัดรู้อย่างนั้นก็ให้พวกเราเดินตามแนวแถวของพุทธะพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่ว่าให้ทานอย่างเดียว รักษาสิลอย่างเดียวไม่ใช่นั้นอันนั้นคือถ้าเป็นต้นไม้ก็คือเปลือกกับพีส่วนแก่นนั่นคือสมาธินะแต่พวกเราต้องการไม้ต้องการแก่นไม่ใช่เหรอเราไม่ต้องการเปลือกไม่ต้องการกะพีนะต้องการแก่นไม้ทั้งหลายจะมีคุณค่ามีประโยชน์ก็คือแก่นของมันนี้ก็เหมือนกันแก่นธรรมะคือแก่นหลักของพวธศาสนาคือสมาธิการที่จะทาสมาธินั้นวิธีการทาทาอย่างไร ตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตานพวกเราคงจะเคยไปสมาทานจิตไปไหว้พระไปะไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็เออนั่งสมาธินะอันนี้พวกเราก็นั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเรียบร้อยแล้วเราปรนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนคือไหว้ทูลซะก่อนคือวานพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ ไหว้พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบ <c palace> คือไหว้ครูคือไหว้พระพุทธเจ้าต้นศาสนาต้นสาสนาพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นประกาศประกาศพระธรรมออกมาคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระสงฆ์ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาดังนั้นพวกเราขอนที่จะ นั่งสมาธิภาวนาให้ลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ซะก่อนจากนั้นพุโทโธธรรมโสังโฆจบแล้วเอามือลงนะเลยเอามือลงในคัดสมาธิมือมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นหลวงพ่อเองจะไม่แนะนำกรรมฐานอื่นเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์แนะนำกรรมฐานมากมายเดี๋ยวนี้จนบางทีนณกรันทายญาติโยมเกิดไม่ใหญ่ที่หลัง ไม่รู้จะเอาอยัางไงบางทีก็อยากจะมีอิทธิฤทธิ์บ้างอยากจะมีเดชมีฤทธิ์บ้างอยากจะรู้อยากจะไปดูนรกสวรรค์บ้าง อ, อยากจะไปมีอภิเนหานมากมายลหลายๆอย่างแต่อย่าเลยนะข้าราทกาญาติโยมลูกหลานเดินตามแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นก็แล้วกันนะถ้าว่าบางท่านบางคนบางที น, นั่งออกไปแล้วก็ส่งจิตออกไปข้างนอกไปเห็นนิมิตเรื่องราวต่างๆ แล้วก็ไปดูนี่ไม่ไปชมนีม่ไม่ไปดูสวรรค์ไปดูนรกสวรรค์ไปดูเปรตอะไรลักษณะอย่างนั้นพนในสุดตัวเองก็เลยเป็นบ้าเป็นบอลสลัมสลือมองๆเออทาไมแต่ก่อนเขาไม่เป็นอย่างนี้พอมาปฏิบัติธรรมแล้วทำไมจะเป็นบ้าเพราะอะไรเพราะส่งจิตออกไปข้างนอกนะขันศรัทธาญาติโยมโลูกหลานเพราะนั้นพวกเราให้เดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านสอนอยังไง ในเมื่อนั่งคัตมาที่แ้ขาขวาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแล้วให้กาหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทนะถ้าว่าเราไม่บริกรรมมีแต่กาหนดลมหายใจเข้าออกอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบริกรรมพุทโธนะเพียงแต่ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิด ญ, ญาณรัตนะเกิดฌานขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือของพุทธแต่สำหรับคูบาอาจารย์สายลงปูมันท่านบอกว่ามันหลุดเร็วเออมันขาดเร็วมันหลงลืมได้เร็วมันหลงเงื่อนได้เร็วเอ่อะอยนั้นให้บริกรรมสำทับกับพุทธโธเขาไปด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทพุท พุทโธพุทโ ธ, ทธในเมื่อเรานั่งภาวนาพุทโธบางทีพอนั่งนๆ่งนั่งไปพุทโธมันหมดบางทีก็หลมหมดก็มีนะบางทนะีบางทีก็พุทโธก็าหายบางทีลมก็หมดนะออพอมันหมดขึ้นมาเนี่บางคนก็กลัวตายใช่ไหมไ อ, อ้ทําไมลมหมดล่ไม่มันลมมันหายไปไหนนะ เ, เพอ้อเพ้อร่างกายก็าหายไปอีกเนะนี่ยนี่แหละอันนี้คืออาการของจิตจะสงบนะคณะัสสทายญาติโยมลูกหลาน ไม่ต้องตกใจนะเออเมื่อเราเห็นว่าลมหมดก็ดีร่างกายหมดก็ดีเราอย่าไปสนใจว่าจะหมดไปไหนก็หมดไปเถอะนะให้เราไปอยู่กับตัวผู้รู้ใครดวงไหนใจดวงไหนที่รู้ว่าร่างกายมันหายไปลมมันหมดไปใครเป็นคนรู้เออนั่นแหละไปอยู่กับตัวผู้รู้จุดนั่นหละไม่ต้องตามลมไม่ต้องสืบสอบสอบหาลมไม่ต้องสืบสอบหาร่างกาย ให้ไปอยู่กับตัวผู้รู้ตัวนั้ น, น, นแหละนี่แหละเมื่ออยู่กับตัวผู้รู้ตัวนั้นแหละอยู่นิ่ง น, ะนี่นแหละมันจะจิตของเราจะสงบเข้าไปอีกส่วนหนึ่งเข้าไปจิตรวมรวมสงบเข้าไปอีกนะ่ะเออเป็นทีแรกเป็นคณิกะต่อไปอุปจาระต่อไปอัปปนาอัอปปนาสมาธิหรือเราจะเรียกว่าฌานก็ได้ปฐมฌ า, านตติเจฌานกัตตุเจฌาน จะ จ, ะจะตุทัฌานตติยฌานจตุทัตฌานฌานที่4่จารนั้นฌานที่5ที่6ที่เจจนถึงสัญญาเวทยตานิโรตสมาบัตแต่นั้นเราอย่าไปอย่าไปไล่ฌานเอะนะฌานนี้มันผลพลอยได้จากสมาธิเท่านั้นเพื่องจิตไม้สงบแล้วจะเกิดเป็นฌานได้ยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันหลวงตามหาบัวยืนยันเลยว่าฌานเกิดขึ้นมาได้ เป็นผลคอยได้าจากสมาธิถ้าว่าจิตใจไม่สงบแล้วจะเกิดฌานได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องดูฌานดูสมาธินี่ยดูใจของพวกเราไม่ต้องไล่ฌานนั่นฌานนี่เพียงจะจิตของเราสงบชั่วคู่น่งอันนี้เราว่าคณิกนะเนีคือเป็นจุดสงบเปรี่ยวป่าดาวเนีพอจิตโงงเข้าไปอีกร ะ, ะยะที่สองเดี๋ยวอุปจาระคล้ายๆกว่าจิตอุปจรรคแปลว่าจิตยังส่งออกไปข้างนอกได้อยู่ แต่ว่ามีสติควบคุมมีสติควบคุมใครว่าเราคิดเรื่องใครสติของเราควบคุมสติควบคุมจิตไม่ให้ตะเลาะทะลอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิในเมื่ออัปปนาสมาธิในใจแน่นิ่งลงไปสติเป็นอันใดจิต เ, เป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นอันคือสมาธิที่สูงสุดของสมาธิเรียว่าอัปปนาสมาธิ ในเมื่อจิตลงไปสู่จุดนั้นแล้วเรารู้ได้ด้วตัวเองจิตกับสมาธิเนี่ยสติกับสมาธิ เ, เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากนั้นบางทีก็อยู่ในนานนะแต่บางคนก็อยู่ไม่ได้นานจะถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาก็มาถึงอุปจาระจากนั้นถอนออกมาก็เป็นจิตธรรมดาเนี่ยแต่ทั้งนี้ทางนั้นไม่ใช่ว่าเรานั่งสมาธิจะได้ทุกทั้งไม่ใช่นะ เ, เว้นเสียแต่ผู้ชำนิชำนาญ นั่งเคยนั่งมาแล้วก็เข้าสู่อเป็นอปปนาสมาธิได้ถ้าเราต้องการนะเราจะพักในสมาธิแล้วก็เข้าไปในสมาธิอีกช่ว ง, ง, งของของเราก็จะสงบในอัปปนาสมาธินั้น น, นี่แหละเมื่อจิตเข้าถึงอัปปนาสมาธิอย่างนั้นแล้วพวกเราไม่ต้องถามใครนะคณะสัาญาิโ ย, ย, ยมลูกหลานทุกองนะทุกท่านนะทุกคนนะเรารู้ได้ด้วยตนเอง ที่ว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญ เ, เห็นได้ชัดเลยร่างกายกับใจใจกับร่างกายเป็นคนละอ่านกันแน่นอนออร่างกายเนี่ยคือส่วนหนึ่งตัวส่วนจิตใจตัวผู้รู้คือนามธรรมตัวนั้นแหละจะไปรับบาปรับกรรมจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่ร่างกายเนี่ยถูกเผาไฟแน่ไม่เป็นอย่างอื่นแต่จิตใจตัวนามธรรมนั้นนั่นแหละจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราเมื่อท่านได้ตรัสรู้ ว่ากุมเพนิวาสานุสติยารละลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนว่าจุกตูปปาตญาการจุกตูปปาตญาคือเกิดญารณรัตนะคือถึงเที่ยงคือเกิดฌาน อ, อันดับที่สองขึ้นใหม่ท่านมองดูสรรพสัตมองดูพวกเราท่านทั้งหลายส ร, รพพสัตในโลกทําไมเกิดมาจึงไม่เหมือนกันมนุษย์เหมือนกันทําไม่เหมือนกันหน้าตา ขี่ไล่ขี่เล่พิโคงพี่การเฉียวเฉลียวฉลาดล่ํารวยมีทุกข์ทไมมนุษย์เกิดมาแล้วทาไมไม่เหมือนกันทําไมมแแัแตกแปกแตกต่างกันพระพุทธเจ้าท่านมองว่ากรรมกรรมคือการกระทําการคิดไม่เหมือนกันการกระทําไม่เหมือนกันการพูดไม่เหมือนกันในเมื่อทำำํากรรมทําได้สามทางมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมการทำำํากรรมทําได้สมทางเพราะนั้นการทำำํากรรมทําได้สามทาง คิดไม่เหมือนกันทําไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันเวลาผลกรรมให้กรรมผลกรรมให้ผลนะเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้ากันนี่แมันไม่เหมือนกันเพราะอยไรเพราะการคิดการทําการพูดไม่เหมือนกันเผลอเราเร า, เราคิดชั่วนะแล้วก็เราก็ทกําอีกแล้วก็พูดอกีกแต่ตกนรกไปก่อนไปตกนรกก่อนเพรยะอะไเพราะเราทํากรรมชั่วกรรมทํากรรมที่ไม่ดีถ้าเราคิดดีทําดีความดีก็ให้ผลพวกเราก็ อย่างน้อยก็เสมอตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ออกจากท่านเกิดกว่านั้นเราก็ไปเกิดเป็นเทวปุตรเทวาดาอินพรหมไปได้ทั้งนั้นเพื่อะไรเพราะเราทําคุณงามความดีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาติยมลูกหลานทุกค น, นที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานพิสูจน์ได้นะพิสูจน์ได้ตายแล้วไม่สูญ ถ้าอยากพิสูจน์ก็อย่างที่พ่อพุทธเจ้าพ่อแม่ภูบาลอาจารย์ที่ท่านพาพิสูจนมานั่นแหละนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเพราะฉะนั้นพวกเรานับว่าโชคดีเกิดมาได้พบพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าปฏิโรประเทศวะโซยัคุเพยยัคตะขุญยตาและกับขอขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมานะ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อเราพบของดีแล้วเราก็ควรจะสั่งสมบุญกุศลจะตั้งอยู่ในความประมาสังขารของเราสังขารร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงต่างหากไม่รู้ว่าใครจะไปถึงจุดไหนอย่างไรแล้วก็ประโยชน์ตนก็จะให้ขาดตกปกป้องประโยชน์คนอื่นพวกเราก็จะให้ขาดตกปกป้องนี่แหละอยากที่หลวงพ่อมาทําประโยชน์ในวันนี้นะประโยชน์ตนหลวงพ่อก็นั่งภาวนาเดินโยกมุอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก อยู่ตลอดและลึกถึงมรณะถึงความตายของตัวเองอยู่ตลอดหอลวงพ่อไปเคยประมาทนะคณะทายาิโยมลูกหลานนะแต่ว่าประโยชน์คนอื่นอย่างสร้างโรงเรียนหลวงพ่อก็มี ม, มีส่วนที่จะช่วยไหมหลวงพ่อก็เนี่ยปีกตัวออกมาช่วยแล้วก็มาแสดงธรรมให้กับคณะทายาทโยมลูกหลานได้ฟังนี่แหละประโยชน์คนอื่นอันนี้หลวงพ่อกว่าตั้งอยู่ใน ในโอวานของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะตัฐายาติโยมโลูกหลานทุกคนหนะ้าเมื่อได้ฟังธรรมคำกล่าวของหลวงพ่อแล้วขอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจตายแล้วไม่ศูนอย่างว่านะตายแล้วเกิดอีกออถ้าตายแล้วศูนย์พวกเราจะเห็นผีได้ยังไงทำไมผีนั่นก็คือดวงวิญญาณนั้นออกไปจากร่าง แต่ทําไมไม่เห็นเยอะเนะี่ยคนมันเยอะวิญญาณมันเยอะนะเออมันเหมือนกับคลื่นวิทยุนะเออหลวงพ่อมาเมื่อกี้นะมาเห็นวิทยุอําเภอบ้านดุงของเราเออเสาตั้งทะเลทะราบไปหมดเน่เออเจฟบอกว่าเขาว่าในะวิทยุตอนนี้มันฟังได้มากเนะีอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าผู้ที่พระพุทธเจ้าดิเออท่านก็ท่านรู้ได้หมดเลยอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเออท่านเ อ, อ่คลื่นของท่านเยอะนะท่านจะปรับ หาจุนเสาเข้าเครื่องไหนก็ได้ดวงวิญญาณไหนก็ได้แต่พวกเรามไม่มีคลื่นเนเไม่มีกระแสแต่บางคนก็มีนะแต่าบางคนก็มีกระแสเหมือนกันรับรู้ได้แต่บางคนฉวนมากจะไม่รู้นะไม่มีคลื่นเอาเถอะอย่าไปรู้คนอื่นเถอะรู้ตัวของเราเราทำดีแล้วเราทำชัว่วเราคิดดีแล้วเราคิดชัว่วเราพูดดีแล้วเราพูดชัว่วเพียงแค่นี้พอนะอย่าหลงลืมตัวนะ เราประกอบคุณงามความดีอย่างนี้และความดีทั้งหลายจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราคณะสัทายาติโยธเพราะนั้นวันนี้ได้กล่าวสังเวทนิยกรฐาคือปารถงานของท่านอาจารย์พ่อครูน้อยของพวกเราแล้วก็กล่าวสัมโธนิยกถรมฐานที่ให้พวกเราสัหลายสํานึกในการเป็นอยู่ของพวกเราอย่าลืมตัวประกอบคุณงามความดีสังสมบูรณ์กุศล เข้าสู่จิตใจของพวกเราพพวกเราเป็นผู้โชคดีแล้วเกิดมาในประเทศที่สมบูรณ์ด้วยอาหารการบริโภคและก็มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินครูบาอาจารย์ชาติก็ไม่เบียดเบียนกันจนเกินไปศาสนาก็คือพระพุทธศาสนาที่พวกเรารักครบนับถือเริ่มใสเป็นศาสนาเหตุผลจากนั้นพระมหากาษัตริย์ก็เป็นผูเ้เป็นพุทธศาส น, นิกชน ศาสนุประถมพกดูแลพระพุทธศาสนานับประบพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเป็นผู้โชคดีนะหลวงพ่อว่านะตอนนั้นอย่าได้พลาดโอกาสเมื่อเราเกิดมาในที่ดีมาในพื้นแผ่นดินไทยแล้วอยากไปอยาไปเผลออยาไปเผลอเลยอย่ากไปทะเลทะลัยนะอย่าไปทําเผลอทําความชั่วเสียหาย <Okay. S 1> ออกจากภพกนิชาตินี้พวกเราอาจจะตกต่างก็ได้นะก็เห็นแหลายเพราะ เราตั้งอยู่ในความประมาทเพราะออนั้นการกล่าวสมัมโภตเ่ยสังเวททนี่ยกถาสมัมโภตทนิยกถาป็เห็นว่าสมควรกับการเเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัะนนารายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงด้วยอำนาจบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาและสั่งสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลโลกขอให้มาคุ้มครองคณารยาญาติโยมลูกหลาน พรเนผู้องค์จงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดังปรารถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดทกทุกท่านด้วยเธิน